ภาวะธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดลึกตื้นกว้างแคบขนาดใดเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ตามสภาพของตนเช่นเดียวกับวัตถุในโลกกรฐานี้ หรือในแผ่นดินเหล่านี้ต้นไม้เป็นต้นไม้มีอยู่ตามหลอกธรรมชาติของตนภูเขาดินฟ้าอากาศผู้คนหญิงชายสัตว์ประเภทต่างๆบรรดาที่มีอยู่ในดินแดนอันนี้ผู้มีในตา สามารถที่จะมองเห็นได้ตามวิสัยของตาหูจหมูกลิ้นกายย่อมไม่มีทางสงสัยในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ทั้งหลายส่วนละเอียดก็ยอมรับว่าละเอียดและสิ่งที่จะรับสัมผัสกันในส่วนละเอียดซึ่งเป็นวิสัยของโลกก็มีเช่นอย่างเชื่อโลก เขาก็สามารถส่องกล้องดูได้ยอมรับว่าเป็นของมีนี่หมายถึงด้านวัตถุส่วนที่ไม่มองเห็นเย็นดินพวกฟ้าอะไรพวกอากาศเย็นน้อนอ่อนแข็งก็สัมผัสสัมพันธ์อยู่ในตัวของเราเองต่างก็ทราบต่างก็ต่างก็ยอมรับว่ามี ไม่สงสัยกันมีสภาวะธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงก็เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่และทรงแสดงตามสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ลึกตื้นยาวละเอียดกว้างแคบหนาะบางขนาดใดก็ทรงแสดงตามสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่นั่นพอเหมาะพอดีกับสภาพนั้นๆ ทุกสภาไปไมื่อเทียบกันกับสิ่งที่มีอยู่ในโลกอันนี้ซึ่งมนุษย์เรายอมรับอันนั้นปราดทั้งหลายท่านยอมรับเหมือนกัน <c oughs> เช่นเดียวกับมนุษย์เรายอมรับในสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในแดนแห่งโลก น, นี้ไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใด ทรงรู้ทรงเห็นทรงยอมรับและทรงแสดงสิ่งเหล่านั้นได้พอเหมาะพอดีกับสภาพแห่งความเป็นอยู่มีอยู่ของสิ่งเหล่านั้นเช่นเดียวกันหมดไม่มีพระพุทธเจา้าพระองค์ใดที่จะมีความรู้ความเห็นแตกต่างกันไปเพราะสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ทั้งหลายนั้นเป็นธรรมชาติของตน ซึ้นความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้าแต่ลพระองค์ก็ทรงทราบด้วยพยานเหมือนเหมือนกันหมดคำว่าพยานนี้ก็หมายถึงหูแจ้งตาสว่างเช่นเดียวกับมนุษย์เราที่มีในตาอันดีไม่ปฏิเสธสิ่งที่เป็นวิสัยของตาสิ่งที่เป็นวิสัยของหูเพราะหูก็ดีจมูกลิ้นกายดี กึงไดมาสัมผัสสัมพันธ์ย่อมยอมรับสิ่ง น, นั้นๆตามเครื่องรับจะรับได้มากน้อยเพียงไรปราบทั้งหลายมีพระพุทธ เ, ทเจ้าเป็นต้นทรงยอมรับความจริงที่มีอยู่ทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่สุพิสัยของใจธรรมดาจะรู้จะเห็น แต่ทรงรู้ด้วยพระจักสุญาณเรียกว่ารู้ด้วยหูแจ้งตาสว่างภายในจึงไม่มีอะไรที่จะทัดค้านกันได้การแนะนำสั่งสอนทั้งสิ่งที่ให้ละสิ่งที่ให้บาเพ็ญก็ทรงสั่งสอนแบบเดียวกันก็สิ่งเหล่านี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยสำหรับจักสุยาณของพระพุทธ เ, ทเจ้าแต่ละองค์ จนกระทั่งพระราหัสน์ท่านซึ่งมีความเหลื่อมลำ้ำตามสูงต่างกันก็าตามท่านยอมนับไปตามพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเพราะหลักใหญ่ท่านรู้ด้วยกันเห็นโดยการตามวิสัยเช่นสาวะวิสัยกับพุทธวิสัยท่านยอมรับก ร, ราบพระพุทธเจ้าอย่างสงนิท ตายใจทั้งทาอันยอดยิ่งสุดแดนแห่งส ม, มุิทั้งทาที่สภาพที่อยู่ในแดนส ม, มุิคือในสามแดนโลกธาตนี้เป็นส ม, มุิทั้งหมวลก็อ ย, ยอมรับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ต้องทรงจักสุญานด้วยกันทั้งนั้นอย่างทราบตลอดตัวถึง และเป็นสัพพัญยูหรือสยามูสัพพัญยูนั้นหมายถึงวรู้ทุกสิ่งทุกอย่างหรือรู้สิ่งทั้งปวงสภาวธรรมทั้งปวงด้วยประจักษ์ุยานสยามูทรงรู้เองเห็นเองโดยไม่ต้องอาศัยคนอื่นหรือมีครูเมีอาจารย์คอยบอกคอยแนะ เหมือนพวกสาวกทั้งหลายแต่ทรงทราบทรงรู้ทรงเห็นโดยลำพังพระองค์เองตามสิ่งที่มีอยู่เช่นบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเนื้อสภาพเหล่านี้มีกี่ชั้นกี่ภูมิมีความหยาบละเอียด มากน้อยเพียงใดเพียงไรตลอดถึงบรรดาสัตว์ที่เข้าสู่ภูมินั้นๆพบนั้นๆหรือชั้นนั้นๆทรงทราบโดยตลอดตัวถึงหมดไม่มีอันใดมาปิดบงังลีลับนอกจากกิเลสตัวมืดดำนี่เท่านั้นเป็นสิ่งที่ปิดบังปิดจิตใจไม่ให้มองเห็นให้รู้ให้เห็นความจริงทั้งหลาย ที่มีอยู่เหล่านั้นนี่ที่นวาวพระพุทธเจ้าพระราหันท่านซึ่งเป็นผู้สิ้นกิเลสและทรงยาณโดยสมบูรณ์แล้วกับบรรดาสัตว์ซึ่งเป็นคนหูหนวกตาบอดเช่นเดียวกับพวกลาลาท่านท่านเพราะเป็นครางกิเลสมีเท่านั้นที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลาย เราอย่าพูดถึงเพียงทำอันละเอียดนั้นเลยเพียงแต่สิ่งจำยาเซื่อมีอยู่ในโลกนี้มนุษย์ตาอวัยวะไม่ีิกลพิการสมบูรณ์ในเครื่องรับทั้งหลายแล้วเขาก็ยอมรับกันทังนั้นนอกจากนั้นคือคนตาบอดอหูหนวกคืออวัยวะพิกลพิการไม่สามารถจะมีเครื่อง อันเหมาะสมก็รับสิ่งทั้งหลายที่โลกทั้งหลายเขารับได้เท่านั้นแม้นอกจากรับไม่ได้แล้วบางอย่างก็ยังต้องปฏิเสธว่าสิ่งนั้นนั้นไม่มี ท, ทั้งที่โลกเขายอมรับกันโลกที่ตาดีหูดีอวัยวะดีทั้งหลายเขายอมรับกันแต่คนวิการเหล่านั้นไม่ยอมรับเนื้อเชื่อก็เชื่อแบบ คนวิการเชื่องู ป, ป่าปลาไม่ใช่เชื่อตามหลักความจริงที่รู้ที่เห็นเหมือนอย่างคนมีอวัยวะสมบูรณ์ทั้งหลายมีเรื่องศาสโลกที่เชื่อในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็ย่อมเป็นลุ่มๆุ่มดอนดอนรูปรูปคํคๆเช่นเดียวกันเนม้นจะปฏิญาณตนว่าเป็นชาวพุทธก็ตามเพราะสิ่งที่ให้ขัดให้ขวาง ภายในจิตใจไม่เชื่ออย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันฝังอยู่ภายใน จ, ใจิตใจความฝังอยู่นั้นคือความปิดขวางคือความปิดบังไม่ให้มองเห็นส ภ, ภาพความเป็นจริงตั้งหลยได้ตามสิ่งที่มีอยู่นั้นๆไม่เช่นนั้นโลกจะไม่ผิดพลาดไม่ทำตัวให้เสียหายล่มจมไปเพราะมีสิ่ง ดึงดูดให้เป็นไปเช่นนั้นจึงต้องยอมเสียเนื้อเสียตัวยอมทนทุกข์ทรมานยอมนับสวยกรรมเพราะวิเศษพาให้ทำกรรมขึ้นชื่อว่าทุกเนี้ยน้อยใครก็ไม่ต้องการแต่เหตุใปโลกจึงเป็นแหล่งแห่งกองทุกเป็นครั้งแห่งกองทุก อยู่ในกรองกองเพลิงเหมือนกันหมดใครอยากอยู่อูดถึงตามความรู้สึกแล้วแม้แต่สัตว์ดิบฉันเขาก็สราบไม่อยากไม่พบเห็นเลยแต่ก็จําต้องได้ทนทุกข์ทรมานยอมรับสเสวยกรรมประเภทต่างๆหรือผลแห่งกรรมประเภทต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของตัวเองสร้างขึ้นเพราะความเชื่อสิ่งจอมปลอมทั้งหลายมันหลอกลวงให้ทํา ผลกรรมนั้นก็กลับเข้ามาสู่ผู้ทำผู้บ่งบอกให้ทามันหายไปไหนก็ไม่รู้ผู้ถุดลากให้ทามันไม่ใช่ผู้เลาะผู้รับเคราะรับกรรมแต่เราผู้ทาตามอำนาจของมันนี้ต่างหากเกล้รับเคราะรับกรรมตลอดมา เ, เราจะเห็นได้เทียบเพียงเท่านี้ เราจะเห็นเรื่องความแปลกประหลาดและความอัศจรรย์ของธรรมที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เฉพา ะ, อ, พะ อ, อย่างยิ่งพระพุทธเจ้าของเราคนปัจจุบันนี้แสดงทรงแสดงไว้นี่ใครรู้ใครเห็นมีหรือไม่มีใครรู้ใครเห็นในธรรมบรรดาที่แสดงมาแล้วเช่นบาปใครจะเชื่อว่าบาปมีบาปเป็นตัวยังไงก็ไม่รู้บุญเป็นตัวยังไงก็ไม่รู้ เราจะคาได้เพียงว่าบาปคือความลามกตกเปรตบุญคือความสุขความสบายก็เป็นเพียงคาดคาดทั้งทั้งทิ่เจ้าตัวนั้นนะ่ะสัมปัตสัมพันธอยู่กับผลแห่งบาปหรือสัมปัตสัมพันธอยู่กับบาปตลอดเวลาทั้งทา ง, งร่างกายและจิตใจแต่มีสิ่งหนึ่งที่มันปิดบงังเอาไว้ไม่ให้เห็นตามหนับความจริงพอให้เชื่อถือได้อย่างฟั้งใจเต็มความจริงที่ สำปัดนำพันอยู่กับตัวเองนี่ยมันต่างกันตรงนี้ส่วนพระพุทธเจ้าทิดว่าที่ทนํรทมเหล่านี้มาแสดงทรงประจักษ์พระไทยคือ ท, ทรงประจักษ์ด้วยความจริงจริงๆ ไ, ไม่ใช้ความคาดคะเนไม่ใช่ความรุนเดาการนับความทุกข์นั้นนับเต็มเตาเหมือนกันเรื่องโลกนะแต่ที่จะเชื่อตามความจริงที่ได้รับ ความทุกข์ความทรมานรับบาปรับกรรมมา น, นั้นถัาโลกไม่มีความจริงที่เรียกว่าธรรมเป็นสิ่งที่ขยายความรู้นี้ให้เข้าถึงความจริงนั้นถัาโลกจริงไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรมโลกมีนิพพาน มันมีอันหนึ่งที่ปิดปางจิตใจเอาไว้ส <c oughs> ่วนพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้จริงๆคือรู้ด้วยเป็นความจริงเห็นตามความจริงด้วยพระจักสุญานไม่มีทางสงสัยแล้วนำธรรมชาติอันนั้นมาสอนโลกวิชานี้จริงไม่มีในโลกใครจะสอนกันก็สอนแบบเป็นๆุนดาวๆไปอย่างนั้น เป็นอย่างพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติมีศาสนาต่างๆสอนกันก็สอนแบบเป็นด้นเดาๆไม่ได้สอนตามที่ดูแล้วเห็นแล้วคนพบแล้วมาสั่งสอนเหมือนพระพุทธเจ้าจี่นําธรรมมาสั่งสอนสัตว์โลกอย่างนี้โดยเหตุ น, นี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าสวาคาตธรรมจาดไว้ชอบเพราะได้รู้ชอบเห็นชอบ ตามความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่อยนํามาสอนโลกองค์พระองค์เองก็ประจักษ์พระไถ่อย่างเด่นชัดไม่มีที่สงสัยแล้วในบรรดาธรรมที่นํามาสอนโลกนั้นตลอดอุบายวิธีการที่ค้นคิดปิพิจารณาให้ได้เจอธรรมเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรสงสัยในพระไถ่เรียบว่าสมบูรณ์ทั้งเหตุคือการควนขวาย สมบูรณ์ทั้งผลคือความรู้แจ้งแทงตลอดตามหลักความจริงเห่งธรรมทั้งหลายทุกขั้นทุกภูมิจนกระทั่งถึงภูมิที่เลยสมมุติออบไปท่านเรียกว่าวิมุติพานิพานพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นแน่จึงนำธรรมหลนนี้มาสั่งสอนโลก <c oughs> ที่สัตว์โลกนั้นก็จะเทียบอะไรนอกจากก็เหมือนคนตาบอดเราดีนี่ ตามีหูมีก็าตามมันบอดไปเสียหมดทุกอวัยวะเพราะมีธรรมชาติอันหนึง่งมาปิดหูปิดตาปิดความรู้สึกธรรมชาติอันนั้นเป็นของปลอมเมื่อปิดเข้าไปในใจดวงในแล้วจึงทําให้ใจดวงนั้นกลายเป็นของปลอมไปหมดเห็นผิดว่าถูกเห็นถูกว่าผิดเห็นดีว่าชั่วเห็นชั่วว่าดีไปหมดเพราะของปลอมจะให้เป็นเหมือนของจริง น, นั้นเป็นไม่ได้เนี่ยตรงนี้เอง ทีศาสตโลกทั้งหลายจึงราวกับว่าสัตว์ตาบอดเสือครานอยู่ตามภาษีภาษาหาทางออกไม่ได้แม้จะสัมผัสสัมพันธ์ดินลม้มดินตายอยู่ก็าตามจนกระทั่งถึงตายเพราะความทุกข์ความทรมานนั้นก็ไม่ทราบทางออกแล้วดีไมด่ดีไม่หาทางออกหาทางออกก็ไม่เจอจรงิงว่าโลกท่านว่าโลกันตตับ มนุษย์นราโลกันตดสั์บหมายถึงความมืดบอดภาณจิตใจไม่มองเห็นช่องเห็นทางที่พอจะนำตนให้พ้นจากภัยทั้งหลายซึ่งกำลังรุ้มลุมอยู่ภาณจิตใจและอวัยวะนี้ให้ผ่านพ้นไปได้แม้เล็กๆน้อยๆไม่ต้องถึงขัานยมุทภนิพานเลย พระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นเหมือนกับคนตาดีหูดีมีจากสุยานเหมือนกับกล้องขายายได้ตลอดทั่วถึงในโลกธาตุนี้ไม่มีสิ่งใดปิดบังลี้ลับในพยานคือความรู้อันละเอียดแลลมคมของพระองค์เลยเพราะสิ่งเหล่านั้นก็เปิดเผยตัวอยู่ด้วยความมีอยู่อยู่แล้วความจริงคือพยาน นี่ก็เปิดเผยตัวด้วยความจริงเช่นเดียวกันคือพร้อมที่จะรู้จะเห็นในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายไม่ว่าอยากกลางละเอียดขนาดไหนไม่พ้นวิสัยแห่งพระจักษุญานนี้ไปได้เลยนามพระองค์กินปรากฏว่าโล ก, กบีถูครอบไว้เลยรู้แจ้งโลกโลกก็คือมูสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับมูสัต ทรงรู้ตลอดทั่วถึงหมดทร้อมทั้งวิธีแก้ไขถอดถอนและบำเพ็ญไม่มีอันใดจนเรื่องของพระพุทธเจ้าแล้วจึงเด้พระศาสนาจึงประกาศลงในแดนแห่งมนุษย์แม้จะเป็นตาบอดหูหนวกเช่นเดียวกับสัตว์ทั่วไปก็ตามแต่ว่าบอดนี้ไม่ได้บอดถึงขนาดที่ว่ามืดมิดปิด าหาทางแก้ไขไม่ได้เสียทีเดียวประเภทที่มีทางแก้ไขได้อย่างมีแล้วประเภทที่พอฝ้าฟางเท่านั้นก็ยังมีในสีประเภทนั้นอุคติตันอยู่เป็นประเภทที่พร้อมอยู่แล้วเสือครานหาทางออกเต็มที่เต็มฐานเป็นแต่เพียงว่ายังหาทางออกไม่ได้การสาะการแสวงนี้เต็มหัวใจ นี่ปจิตัน ด, ดูก็เช่นเดียวกันเดินตามหลังกันเพื่อความเจาะแสวงหาทางเล็ดลอดออกจากกองกทุกที่ถูกกิเ็นครอบงำในยะก็ค่อยเสือคอยคลานกันไป mm hmm. เว้นแต่พวกปัทะประมาสุดวิสัยที่จะแก่จะไขจะช่วยอะไระไรได้ประเภทนี้เป็นประเภททดียวหมดหวัง ที่ทำของพระพุทธเจ้ามาประกาศสอนโลกนี้ถ้าเราคิดเพินเผินตามเรื่องของกิเลส พ, พาให้คิดตามเรื่องของกิเลสหลอกหลอนให้คิดก็ว่าเป็นของไม่แปลกปราหลาดไม่เป็นของอัศจรรย์าศาสนธรรมนี้กิเลสมันอาจที่กแปลงเปลีป่ยนแปลงไปว่าเป็นรัตพิเป็นอะไรตั้งขึ้นมาแบบเป็นด้นเดาๆ เ, เ, เกาหมัดไปอย่างนั้นไม่ใช่ตั้งขึ้นมาตามหลักคนอนดิ เป็นอย่างนั้นไปก็ได้คนจึงไม่เห็นศาสนาเป็นของสำคัญยิ่งกว่าความเห็นตามเรื่องของอธรรมฝ่ายทำลายเอ็นของสำคัญทุก อ, อาัมกิริยาที่แสดงออกไม่ว่าจะแสดงออกทางจิตไม่ว่าจะแสดงออกทางกายทางวาจามันเป็นช่องทางที่เปิดโล่งตลอดเวลาสำหรับรายได้ของมัน อันนี้นี่แหละมันลำบากคือมันปลอมเอาอย่างสนิทไม่ให้มองเห็นแสงอัดแสงทำอะไรได้เลยเราจะเห็นได้ว่าศาสนาอัศจรรย์ขนาดไหนก็ตอนมาเปิดกันตรงนี้คนที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็ น, นสิ่งเป็นภัยทั้งหลายโดยความจริงก็ได้รู้ได้เห็นขึ้นมาตามสวรรคอธรรม หรือตามพระโอาวาทคำสั่งสอนของพร ะ, ระพุทธเจ้าเช่นพุทธบริษัทหรือปฐมสาวกซึ่งท่านเหล่านี้เป็นพู้ิเสาะแสวงอยู่แล้วแทบล้มแทบตายพอพระองค์ประกาศาศาสนธรรมคืออริยสัจสี่ซึ่งเป็นของจริงอันเป็นเครื่องยืนยันต่อมรรคผนิพพานให้ทราบเท่านั้น ยังกิงจีงสมุดาวิธรรมังสัม บ, บัญตังนิโ ร, รธาธรรมังในธรรมะจักรกับโพธิสัตวที่ประกาศเจแก่พระเด็จเจ้ากีทั้งห้าพระอัญญาคนอัญญะคว้าติดมือขึ้นมาทันทีออกเป็นเครื่องประกาศยืนยันเป็นสักขีพยานแห่งาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าในขณะนั้นว่ายังจริงจีงสมุดาวิธรรมังสัม บ, บัญตังนิโ ร, รธาธรรมัง อะไรก็ตามเกิดขึ้นดับทั้งนั้นหาความแน่นอนหาความไมว้วางใจไม่ได้เลยนี่ก็เพราะท่านเห็นหลักเกณฑ์แห่งความแน่นอนปรากฏขึ้นแล้วภายในใจของท่านนั่นเรียกว่าแสงแห่งธรรมความสว่างแห่งธรรมหลักเกณฑ์ที่เป็นความแน่ใจหรือ ก, กันแห่งความแน่ใจได้เริ่มปรากฏตัวขึ้นแล้วพอเป็นที่ยึดจึงได้สลัดปัดทิ้งหรือตําหนิสิ่งเหนั้นว่า อะไรก็ตามเมื่อเกิดแล้วดับทางนั้นหาที่ไว้ใจไม่ได้เลยก็ยังมีแต่ว่ามีอันนี้เท่านั้นที่เป็นที่ไว้ใจได้ือว่าดวงตาเห็นธรรมคือเห็นแก่นเริ่มเห็นแก่นแห่งธรรมเริ่มเห็นแก่นแห่งจิจเริ่มเห็นแก่นแห่งวิวัตะสองแสงเข้าไปถึงจุดนั้นแล้วและสุดท้ายก็ได้บรรลุธรรม ตามพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี่ทำปรากฏเป็นของอาจา ร, รย์ขึ้นแล้วในท่านทั้งห้านี้ทำจะอาจา ร, รย์อยู่ขนาดไหนก็ตามถ้าไม่มีสิ่งสัมผัสไม่มีสิ่งยืนยันทำก็เป็นของอาจา ร, รย์อยู่ตามหลักธรรมชาติของตนไม่มีความหมายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดต่อเมื่อสิ่งที่หาความหมายอยู่แล้วพร้อมที่จะ รับความหมายอยู่แล้วคือใจอันเต็มไปด้วยอุปนิสัยพอสัมผัสเข้าเท่านั้นก็ยังจิงจิตสมุไรยธรรมมังสัม บ, บันตังนิโรธรรมมังขึ้น ท, ทันทีหลังจากนั้นแล้วกับวุธิตังประมาจา ย, ยัางเสร็จเรื่องไฟที่เด็ดกันหาอาสวะที่เคยเผาอยู่ในจิตใจนี่ เป็นอันว่าสลัดตัดทิ้งไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วเพราะอำนาจแห่งธรรมนี่ทรรมที่ว่าประเส ร, ริฐประเส ร, ริฐได้ปรากฏกลางวานเต็มหัวใจของท่านเป็นเจ้คีทั้งห้า น, นี้แล้วนี่เป็นปฐมภาษาบุท่านเหล่านี้แลวเป็นผู้เทิดทูนเป็นผู้เห็นธรรมองค์แรก เห็นเห็นธรรมเป็นของอัศจรรย์เห็นพระพุทธเจ้าเป็นของอัศจรรย์เห็นาศาสนธรรมที่ประกาศสั่งสอนเป็นของอัศจรรย์และเห็นธรรมที่รู้ประจักษ์ภายในจิตใจของตนเองอย่างอัศจรรย์โดยไม่มีอะไรสงสัยเลยร้อยทั้งร้อยเต็มหมดนี่แหละอำนาจแห่งความรู้แจ้อองเห็นจริงของพระพุทธเจ้า ประทานพระศาสนาไว้ไม่มีคุณค่ามหาศาลหาอันใดประมาณไม่ได้นี่เราทั้งหลายได้มาบวชในพุทธศาสนานอกจากเกดเดเดเิดเป็นมนุษย์แล้วยังได้มาบวชในพุทธศาสนาและได้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมก็ชื่อว่าเรายึดบันไดที่ถูกนี้เหมาะสมแล้วกับ ความมุ่งหมายของเราที่บวชมานั้นจงตั้งใจประพฤติปฏิบัติยึดหลักเกณฑ์นี้ไว้ด้วยดีอย่าได้ลดละท้อถอยอันเรื่องของเกเรดไม่มีเรื่องใดให้พากันจำไว้อย่างถึงใจว่าจะทำจัดโลกให้เบื่อหน่ายอิ่มพอ ไม่มีแม้นิดหนึ่งและจะทจําสัตดโลกให้มีความสนุกสนานรื่นเริ ง, งมันทงมีความสะดวกสบายมีแต่ความบีบบังคับโดยลําดับตําดาแต่การบีบบังคับก็มีเครื่องประกับเข้าอีกทีหนึ่งไม่ให้เรารู้ว่ากิเลสนั้นบีบบังคับจิตใจเรา ละอียดแค่ไหนไม่งั้นสัตว์โลกจะไม่เห็นโทษของมันได้อย่างไรต้องเห็นทุกข์ก็ประจักษ์ในตัวเองความดิ้นรนกระวนกวายภายในจิตใจก็ประจักษ์ในตัวเองด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าฝ่ายโศกเศร้าไม่ว่าฝ่ายรื่นเริงบันเทิงไม่ว่าสิ่งต้องการสิ่งไม่ต้องการมันประจักษ์ด้วยใจถ้า ควรจะเป็นเห็นโทษมันแล้วมันเห็นด้วยกันทางนั้นเพราะต่างคนต่างโดนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าพบใดชาติใดมาจนทังปัจจุบันขนขณะนี้แต่นี้มันไม่มีอันใดที่จะรู้เพราะมันมีเครื่องประกับเขาอีกทีนี้พายในจิตใจให้สัตว์คล้อยตามเพลินตามหลงตามพอใจตามมันตลอดเวลามีละเอียดหมายกี่เลย เราอยากจะทราบก็ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอย่าให้กิเลสเข้าแทรกเข้าแซงข้อปฏิบัติและกําจัดความเพียรทั้งเราให้สิ้นซากไปเสียจากใจเหลือแต่ซาก ข, ของกิเลสเป็นหัวใจซากกิเลสไม่จะตายเหมือนซากแห่งความเพียรเพื่ออัดเพื่อทํงงทาทั้งหลายซากกิเลสเป็นซากที่สดๆตอนร้อนเป็นซากของยักษ์ของผีซึ่งกลืน หัวใจสัตว์โลกได้ยึดตลอดเวลาไม่มีคำว่าเท่าสายบาเยนเท่าแก่ชลาขําคข้าด้วยหนุ่มสาวคือยืนอยู่ตลอดเวลาเพราะธรรมชาตินี้เป็นหลักปัจจุบันอันหนึ่งจึงไม่มีไว้คำว่าชลาคํามข้ า, ขาไม่มีการไม่มีสถานที่ว่าจะพักผ่อนดอนตัวเว้นตนับเท่านั้นที่ทำเมื่อ เราคอยแต่การสถานที่เวลาเวลาอยู่ก็ชัดเจนแล้วว่าแพ้แพ้จิเลสตัวไม่มีการสถานที่ในเวลาที่เป็นอยู่เช่นนี้เราอยู่ในห้องมืดเราไม่ได้ออกมาที่โล่งแจ้งเราจรึงไม่มองเห็นความมืดนั้นว่าเป็นอย่างไรเพราะไม่มี ผู้แข่งกันพยา น, นจงผิดสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นเริ่มตั้งแต่สมถะธรรมคือความสงบใจเอาให้สงบให้ได้ไม่มีอะไรที่ทำใจให้ฟุ้งซ่านนอกจากกิเลสอย่างเดียวถ้าจะเห็นโทษของมันเห็นมันว่าเป็นภัยก็คือความฟุ้งซ่านที่ประจำจิตของเราอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือตัวภรรัยคือตัวกิเลสเอาปักจิลงตรงนั้น ด้วยความภาคเพียรด้วยความระมัดระวังตั้งสติให้ดีอย่าหวังผลหวังประโยชน์จากสิ่งใดวัตถุใดอะไรในโลกนี้นอกจากงานคือการกระทาด้วยความตั้งสติของตนไม่ให้เผลอในกิจการทั้งตนที่ทาได้แค่คิตภาวนาเท่านั้นนี่เป็นจุดที่มุ่งหมายแห่งธรรมอย่าเปิดช่องให้กิเลสมันผลักดันออกมามันผลักดันออกมาจากใจนะกิเลส มันไม่ได้มาจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรถที่ไหนเฉยเฉยมันมาจากใจแม้จะปรุงเรื่องรูปเรื่องเสียงกงลิ่นรสขึ้นมาก็เพราะผู้นี้ไปสัมผัสสัมพันธ์ผู้นี้ไปปรุงไปแต่งไปทาสไปหมายไปสําคัญต่างๆมันจึงเป็นเรื่องขึ้นที่จิตความปรุงออกไปก็คือเรื่องของจิตใจความที่มาหลอกตอนเองก็คือเรื่องของจิตใจระวังอันนี้ให้ดี แล้วเล่งหน้าที่การงานของตนเข้าให้มั่นเหมาะอย่าคอยเวล่ำเวลาเช้าสายบ่ายเย็นปีนั้นเดือนนี้อันเป็นกลมายาของมันอีกเช่นเดียวกันให้มุ่งต่อตรงนี้จะทุกข์ยากลําบากขนาดไหนเราเคยทุกข์มาแล้วสงสัยที่ไหนเอาให้เห็นจะทุกข์ขนาดไหนก็มันไม่ตายแหละจิตนี่ทุกข์ก็มีแต่เรื่องของทุกข เ, เวทนา มันจะแดงตัวของมันดูเหมือนไฟนั้นเท่านั้นแหละถ้าเราไม่เข้าไปสัมผัสสัมผัสไฟก็มีความหมายไฟก็ไฟเราก็เราทุกก็ทุกพิจารณาให้เห็นชัดเจนในความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นในกายสติเป็นของสำคัญยาได้ลดลักปัญญาพิจารณาสอดสองยาอยู่เฉยๆนี่หนักใจในเรื่องปัญญา เดี่ยวก็หมู่กับเพื่อนมากทีเดียวไม่ใช่หนักอย่างเล็กน้อยก็พ อ, พอสัมผัสสัมพันธ์ทางตาทางจังหวะทา ง, ทา ง, ห, ทางหูแล้วนี้มันจะบอกเรื่องปัญญามา ท, าทันทีมาปัญญาไปนอนตาอยู่ที่ไหนมันจะมีแต่เอาเรื่องง oo เรื่องของกิเลสมาหลอกเจ้าของมีตรหลักเวลาเรื่องธรรมไม่มีเหลือมาประพฤติปฏิบัติธรรมจะแท้ธรรมไม่มีเรื่องธรรมออกแสดงให้เห็นลวดลายบ้างเล็ก ๆ, ๆน้อยน้อยอมัน จ, จะมีถึงแต่เรื่องของ กิเลสที่ทำคนให้โง่ที่ทําคนให้เซ่อเซ่อซ่าซ่ า, าอยู่ตลอดเวลาหมดทั้งตัวมองเข้าไปเห็นแต่เรื่องของกิเลสทํางานอยู่ใยถาเดียวหาสติปัญญาอะไรแฝงอย่างนั้นไม่มีเลยเป็นยังไงนักปฏิบัติมันต้องควรเลยนี่ไปปล่อยให้กิเลสกุศลธรรมมาอยู่ตลอดเวลาด้วยความฉลาดของมันแต่เรากลืนตั้งแต่อกุศลธรรมมาความโง่เข้าเต็มหัวใจมันได้ผลได้ประโยชน์อะไร ทำมาที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้สดสดร้อนร้อแท้ๆไม่ไม่ใกล้ไม่ไกลที่ไหนนอกจากอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นอยาไปคาดไปหมาจะถานที่นั่นการเวลานั้นเวลานีว่าเป็นกิเลสกันหาอาสวะว่าเป็นมรรคผลนิพพานกิเลสมันก็อยู่ในใจนี่แหละมรรคผลนิพพานจะอยู่ที่ไหนเปิดออกตรงนี้ความมืดมันดับไปตรงนี้แล้วความสว่างมันก็ขึ้นที่ตรงที่มันมืดนี่เองมันจะขึ้นที่ไหน ปัญญาหัดคิดหัดอ่านเลยมาดูเฉยๆบางคำให้คิดบางคับให้จองให้ใไข้ครควรมันเอาค่อยแตกค่อยแหนไปเองยื้อเฉยๆให้ปัญญาเกิดไม่เกิดตายทิ้งเปล่านั่นนหละแม้แต่ผู้ได้สมาธิก็ตามจมสมาธิขั้นไหนก็สมาธิขั้นนั้นอยู่เท่านั้นไม่เป็นปัญญาให้ได้ต้องปัญญาต้องเป็นเรื่องของปัญญา ออกพินิจพิจารณาค้นคว้าภายนอกภายในสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์ที่เคยผ่านไปแล้วก็ดีปัจจุบันก็ดีหรืออนาคตคิดไปเรื่องใดให้เป็นเรื่องอดเรื่องธรรมเรื่องสติปัญญาออกทํางานแลกิเลสที่มันคอยมันเป็นอยู่ตามกระแสของกิจมันจะลบล้างกันไปโดยลําดับลําดาลบกิเลสล้างกิเลสล้างที่ตรงนี้ไม่ได้ล้างที่วันคืนปีเดือนสถานที่การเวลาอะไรเลยมันมีอยู่ที่ตรงนี้ พิจารณาตรงนี้พูดถึงเรื่องความแย่แค้นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายถ้าเราจะยกเป็นแบบสมมุติเหมือนโลกมีกิเลสทั้งหลายนั้นไม่มีใครที่จะเครียดแค้นกิเลสให้กิเลสยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเลยความสงสารสัตว์โลกก็เต็มหัวใจเพราะถูกบีบถูกบังคับจากกิเลสทุกประตูไม่มีทางไหนที่กิเลสไม่บีบไม่บับงคับเลย น, นี่เวลา แต่จรู้แล้วจึงรงรับสั่งภาษาพวกทั้งหลายให้ไปคุณลับทิศและทางอย่าไปซ้ํำลอยกันเพื่อให้ศาสนากว้างขวาขงก็คือว่าให้ไปลื้อขนสัตว์โลกทั้งหลายที่กําลังจมอยู่ผู้ที่ตะเกียบตะกายหาทางขึ้นอยู่ยังมีให้รีบไปรีบไปมันเหมือนกับตกนรกหมกไหมหรือตกในหม้อน้ําร้อนนั่นแหละให้รีบไปฉุดไปลากขึ้นลายใดที่ควรจะฉุดลากได้ด้วยวิธีการใดให้รีบฉุดรีบราก นี่แหละการประกาศภาษาวกออกมาจากพระไทยที่เต็มไปด้วยพระเมตตาเห็นโทษแห่งสิ่งที่เป็นโทษเห็นคุณค่าแห่งความท ำ, ทำที่มีคุณค่าอย่างถึงพระไทยจริงๆไม่ใช่ทำแบบเป็นเล่นเหมือนโลกมีกิเลสทั้งหลายพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสบริสุทธิ์จริงๆทรงอนุเคราะห์ศาตว์โลกอนุเคราะห์ด้วยพระเมตตาจริงๆถึงพระไทยนั่นการประกาศทำเมื่อเห็นผลเป็น สักขีพยานเช่นเปบญจวัขีทั้งห้าเป็นต้นแล้วก็ให้รีบนำแล้ให้รีบออกประก า, ะาศศาสนาไม่ให้ซ้ำรอยกันไปคนอาทิตย์ละทางเพื่อให้าศาสนากว้งขวา ง, งก็หมายถึงว่ า, าเพื่อให้น้ำอมตรธรรมนี้ได้กระจายไปตั้วถึงไปในบรรดาจัตนาโลกทั้งหลายที่ถูกกิเ ด, ดิมันต้มมันตุนมันทอดอยู่จะตายแดดไม่ตายแดดทั้งสเกีประกายให้ไปพ้นภัยไป ตามกำลังของผู้ตะเกียจตกายจะพ้นไปได้มากน้อยเพียงไรยิย่งให้ประกาศพระศาสนาอย่างรีบด่วนเพราะพระเมตตาทรงเร่งเต็มที่นี่เนื่องมาจากความเห็นโทษเห็นอย่างถึงพระไทยเห็นคุณอัจจันย์ของธรรมในพระไทยก็ถึงพระไทยการสอนโลกจิงสอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมนั่นละท่าน เห็นกิเลสตั้งแต็อย่างนั้นถ้าจะพูดถึงเรื่องเป็นคู่คเดือดคู่แค้นกันไม่มีใครจะเกินพระรหัสอาหารเกินพระพุทธเจ้าที่เป็นคู่เดือดคู่คู่เดือดคู่แค้นกันกับกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยมาตั้งกับตั้งกันเผาสัตว์ต่างหลายอย่างทําให้สัตว์ทั้งหลายเหมือนกับตุ๊กตาเหมือนไม่มีจิตมีใจเลย <S <S จะเอาขึ้นเคียงไหนก็ได้จะเอาเข้าเตาไหนก็ได้เตาไฟทุ่มเทกันลงในหมอน้อน้ําร้อนหม้อไหนก็ได้ เพราะไม่มีท่าต่อสู้ไม่มีความแยบข่ายพอติ่จะรู้เรื่องรุ่นราวของมันสัตว์มันยังรู้ว่าจะเอามันไปฆ่าสัตว์มนุษย์เหล่านี้ไม่รู้จะทำยังไงยังดีไมด่ดียังต่อสู้ขัดขืนการฉุดการลากการช่วยสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ อ, อีกมากมายกายกองนั่นทังเดยนี่จะเพียงตัวเท่าหนูนี้ก็ เป็นในหัวใจไม่ต้องพูดถึงพระพุทธเจ้าและสาวกท่านอย่งเราตัวเท่าหนูนี่ยังเป็นฉละนั้งเคยพูดออกปากพูดเต็มปากด้วยเช่นกำลังชันนังหันอยู่อนนี้ว่ากองทัพกิเลสมาแล้วไหนทันทีเลยบาทนี้จะทิ้ ง, งทันทีโดดถึงเข้าปราบเลยถ้าเป็นปืนก็ไม่ง้างนกเหนียวไกลเลยเดียวตรงไปพังกิเลสมันลาบไปหมด กุศลธรรมามันเรียบร้อยแล้วถึงจะกลับมาฉันต่างหันใหม่ถ้าอยากฉันก็จะฉันใหม่ไม่อยากฉันก็อิ่มใจที่จะฆ่าคิดเด็กเห็นม้วนเสือลงไปหมดแล้วไม่มีอะไรจะมากวนอีกแล้วนนี่แหละทำพระเสด็จขนาดนั้นนะ่ะแล้วเป็นธรรมชาติที่ปราบฆ่าศึกได้อย่างทันควันชมคําว่ามัจจิ ม, มามัจจิ ม, มาเจาะจริงๆไม่มีอะไรที่จะปราบ โลกันตะสัตว์นี้ที่มืดบอดเพราะอำนาจของกิเลสเข้ามามี้ได้ยิ่งกว่ามัจจิมาปฏิปทานที่ทรงแสดงไว้แล้วโดวยถูกต้องนี้เลยกา น, นขอทุกท่านนำธรรมะเหล่านี้เข้ามาปุดมาคน้นกิเลสไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจค้นเข้าไปมันออกทางตาคน้นออกทางหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรูปเครื่องสัมผัสตามคน้นมันไปตรงไหนตามคน้นตามฆ่าฟันกัน ด้วยสติปัญญาแล้วเราจะเห็นเรื่องเห็นนาความจริงมีอยู่มีอยู่ประจำทุกสิ่งทุกอันทุกชิ้นทุกสภาวะธรรมต้องได้เห็นต้องได้รู้กันไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้รู้ไม่ได้พื่เจ้าไม่สอนพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วให้มาปฏิมัติแบบรุ่มรุมดอนดอนให้เห็นขวางหูของตานี่มันจะอกจะแตกแล้วนะแล้วก็ลังลายเข้ามาเรื่อยๆ มากกว่าอย่างว่านั่นแหละมันกีบมันขวางทั้งหูทั้งตามัมนพูดไม่ถูกแต่ใจมันไม่สงสัยว่ามันเป็นยังไงมาฆ่ากิเลสหรืรอมาขวางธรรมไงเจ้าขวางไม่รู้ความถูกบีบบังคับภ า, ายในจิตใจตลอดเวลา เพราะอำนาจของกิเลสกับความสลัดปัดกิเลสออกหมดไม่มีสิ่งใดมาเหนืออำนาจของความอิสระธรรมนี้เป็นอย่างไรในใจดวงเดียวกันนั้นนี่ก็เคยได้พูดให้ฟังแล้วแม้แต่กันเทกยังบอกเล่มหนังสือก็ยังในพูดว่าอาวกาศของกิจอวกาศของธรรมนั่นต่งดัมันโลง่งมันว่างไปหมด ไม่มีอะไรจึงทําให้ประจักษ์ใจว่าไม่มีอะไรที่ทําการกีดขวางบีบบังคับกีดใจนอกจากกิเลสอย่างเดียวนี้เท่านั้นเมื่อกิเลสได้พังลงประจักษ์ใจแล้วไม่มีอะไรมาติดกีดมากข ว, วางเวอร์งวางโลกธาตุนี่จะว่ามีก็ได้ไม่ว่ามีก็ได้เพราะไม่เกี่ยวกันเลยสิ่งที่เกี่ยวก็คือกิเลสเอานำมาทับหัวนั่นแนหะมันถึงเน้นหนะัก ถึงในรับความทุกข์ความทรมานเมื่อกี้เดยกตัวแสบๆมันพังไปหมดแล้วอะไรรูปก็เป็นรูปเสียงเป็นเสียงกลิ่นเป็นกลิ่นรสเป็นรสสภาพสภาวะธรรมต่างๆเขามีอยู่ั้งแต่เรายังไม่เกิดเขามาทับอะไรใครเมื่อรู้เห็นตามความจริงจิตสนัดปัดทิ้งละหมดแล้วเป็นตัวของตัวขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติแล้วมีอะไรมาติดมาคล้องที่นี่ มีแด่กิเยสเท่านั้นทำให้ติดให้คล่องมันขึ้นไปจากใจแล้วจะเอาอะไรมาติดมาคะหนูว่างบหมดหาประมาณไม่ได้การสถานที่ที่ไหนมีอีกตรงนี้มีปัะชาที่ไหนมีการสถานที่ที่ไหนมีแต่ธรรมาชาติเป็นความจริงเต็มตัวอยู่เท่านั้นวุ้นหาอะไรนั่น คุณค่าแห่งความอดทนจากสิ่บีบบังคับเป็นเช่นนั้นในใจดวงเดียวนั่นแหละขณะที่ถูกบีบบังคับมากน้อยความทุกข์เป็นยังไงขณะที่สนัดหรือปลดเปลื้องกันไปได้มากน้อยใจเป็นยังไงจนสนัดปัดทิ้งเสียหมดโดยสิ้นเชิงแล้วเป็นยังไงทีนี้ถ้าไม่เห็นธรรมอัศจรรย์ตรงนี้จะเห็นที่ตรงไหน ถาเห็นกิเลสเป็นภัยอย่างยิ่งอย่างถึงใจจนหน้าขยะขแข็แงแล้วจะเห็นที่ตรงไหนเพราะกิเลสกับธรรมอยู่ที่จิต ด, ดวงเดียวกันนั้นถึงจะแบบเปลี่ยนฉากกันกิเลสดับไปธรรมปรากฏขึ้นเต็มดวงเท่านั้นในจิต ด, ดวงเดียวนั้นซึ่งเป็นตัวที่ทรงความรู้ไว้ไม่มีการสถานที่เวลาเวลาเลยนะทำไมจะไม่ประจับอ๋อจริงยาละหรอแลหละ ไปไหนความรู้สึกให้ติดตัวอย่างน้อยสติสัมปชัญญะเมื่อติดแน่ก็ไปก็กลายเป็นสัมปชัญญะขึ้นมาต้องฝึกสติไม่ฝึกไม่มีไม่ฝึกไม่ได้ไม่ฝึกไม่คล่องตัวไม่ฝึกไม่ชำนาญปัญญาไม่คิดไม่พาคิดพาโค้นไม่เกิดต้องถูกบังคับเท่งนั้นเพราะกิเลสมันขีดมันขวางไม่ไม่ทำแต่ตั้งสติก็เป็นฆาตติดต่อกิเลส ตฝืนตั้งนั่นคนคิดด้วยปัญญาก็เป็นข้าสิทต่อกิเลสซึ่งเป็นตัวกีดขวางก็ต้องได้ฝืนคิดฝืนค้นสิ่งนี้ฝืนฝืนกิเลสต่างหากแล้วไม่ได้ฝืนธรรมทําท่านไม่มีอะไรจะฝืนท่านท่านไม่ได้ฝืนไข่กิเลสตัวเป็นภัยต่างหากมันฝืนเวลานี้ทำความเพียรยากลําบากมากน้อยขนาดไหนก็คือการต่อสู้กับกิเลสตัวฝืนฝืนมากน้อยขนาดนั้นนั่นเองจะเป็นอะไรไปเราจะเห็นได้ชัดเวลา สติปัญญาศรัทธาความเพียรจิตใจมีความละเอียดละอ่อนรับสติปัญญาคล่องตัวไปแล้วสิ่งเหล่านี้มันหายตัวไปหายตัวไปโดยลําดับจนกระทั่งไม่มีเหลือเลยแล้วสุดท้ายไม่มีอะไรเหลือเลยขึ้นชื่อว่าสิ่งที่กีดที่ขวางที่คอยต้านทานอยู่ตลอดเวลานซึ่งเราเคยเป็นมาัแต่เรื่องขั้นเริ่มแหลกเมื่อถึงเวล า, าที่มันม้วนเสื่อลงไปแล้วมีอะไรมากกีดมากขวางไม่มีเลยนั่นจะไม่เห็นมันนี่คือกิเลส ตัวเป็นภัยได้ยังไงหัวใจไม่ดีปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่สอนทํำท่านสอนว่าอย่างไรยินนี้พร้อมแล้วที่จะแสดงพุ่งให้เต็มที่ของตัวเองในความรู้ความสว่างกระจ่างแจ้งเป็นแต่เพียงถูกปิดไว้เพราะอำนาจของสิ่งมืดดำเท่านั้นเองมีเท่านั้นไม่ได้มากมายอะไรเลยจึงเปิดนี้ออกไปมีอะไรมันปิด นั่นก็เคยพูดแล้วรูปเสียงกินนู่เครื่องสัมผัสแต่ละอย่างละอย่างก็ปิดเพราะธรรมชาตินี้ไปคว้าเอามาปิดตัวเองตาหูจมูกดิ้นกายเป็นทางเดินออกไปเพื่อนําสิ่งที่ปิดบังเข้ามาสู่ใจก็ ร, รู้แล้วสติปัญญาตามต้อนเข้าไป อ, อันหนึ่งก็พยายามทำให้จิตให้สงบนี่เพื่อจะตัดปิดทวารเหล่านี้ไม่ให้ไปยุ่ง เพอสงบแล้วมีกําลังให้ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณานี่คือกองทุกขังขอันนี้จังหวะตากองอสุภ้อสุพัน์กองป่าชาติทั้งเป็นก็คือตัวนี้แหลค้นลงไปถืออันนี้เป็นการเป็นงานเยี่ยมย่ําทําลายอยู่กับตรงนี้ขุดค้นกันอยู่ที่ตรงนี้หลายครั้งหลายหนมันก็ถลอกไปเองกิเลสมันก็มีหนังเหมือนกันนะหนังของกิเลสมันเหมือนอ้อหนังเรานี่แหละ เนื้อเอ็นกระดูกของกิเลสก็มีเหมือนกับเนื้อเราหนังเรานี่แหละพูดลงไปฟันลงไปเดี๋ยวมันจะเลือดเดือบอมาหเห็นเนีดเดือมหมายถึงอะไรถึงเรื่องอสุภะอสุพังแต่กระจางไปคืออะไรคืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นมันเยือมออกมาเดือบมามันจะได้เห็นชัดเจนภาน จ, จิตใจเมื่อปัญญาได้อย่างลงไปถึงไหนถึงไหนแล้วความเชือ่อตามหลักธรรมนี้จะดูดดื่มเลื่อยเรื่อยเื่อ ย, เ ร, อยเรื่องความภาคความเพียรจะหมุนตัวมาพร้อมๆกันหมดเลยความขี้เกียจขี้ข้าน ไม่เอาไหนนั่นเป็นซึ่งเป็นเรื่องของจิเด็ดล้วนๆมันจะถอยตัวออก่างไ ป, ไปห่างไปห่างไปสุดท้ายไม่มีเลยมีก็ได้รับยับยั้งเอาไว้มันจะเลยเถิดท่านว่า อ, อ, อุทาจาักในสังโยชน์เบื้องบนนั่นคือเพลินในความภาคความเพียรมากเกินไปจนถึงกับไม่ยอมพักผ่อนหรือไม่สนใจจะพักผ่อนในสมาธิอันเป็นความสงบเพื่อพักเอากาลังทางด้านปัญญาทานาอุทาจาั อุทาจา a ในสังโยชน์เบื้องบนไม่ได้เหมือนอุท a ก a กุก aja ในนิวรณนห้าซึ่งมีอยู่ในสามัญนชนทั่วไปนะอุท aja นั้นมีอยู่ในพระอริยเจ้าในขั้นอรหัตมรรมเท่านั้นคือเพลินในความเพียรมากเกินไปนั่นหาความที่เกียจกิตขั้นไม่มีต้องในรางเอาไว้ถึงวาระที่ควรจะพักเมื่อจิจพิธีพิจรนารณานั้นคือการทํางานจิตมหิวอ่อนเพลียแล้วก็ให้พัก เข้าสู่ความสงบไม่ต้องคิดต้องตุงเรื่องอะไรภักงานคืองานของจิตเพราะการพิจารณาเป็นงานของจิตตั้งนั้นเมือ่อพักจิตให้สงบโดยไม่ต้องไปห่วงใยกับเรื่องสติปัญญาชนิดใดก็ตามในขณะนั้นมีแต่การพักตัวสงบพอถอยออกมากจิตก็มีกําลังควรแกการงานแห่งการพิจารณาก็เอาอีกนั่น ถึงกระทังกิเลสทังทลายลงหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วสติปัญญาประเภทนี้และความภาคเปลี่ยนประเภทนี้ก็หมดปัญหาไปเองโดยหลักธรรมชาติที่เดียวกันก็จะสู้ก็อะไรเมื่อข้าสิกมันบนไรรลัยไปหมดแล้วก็เป็นอิสระธรรมทันทีนี่ยือสัวหลักวุวิตังพระมจหริยางกตังกัลนิยมเสร็จแล้วงานหรือภพหรือชาติหรือมติสงสารงานต่อสู้กับมหาภัยก็สิ้นสุดลงไปแล้ว แต่บัดนี้ต่อไปไม่มีอีกแล้วลนั่นถืดานนี้ปุณพภาวะ ค, ความเป็นอีกเกิดอีกนี้ไม่มีจะ อ, อะไรมามีกิเลสพาให้เกิดกิเลสสิ้นไปแล้วจะ อ, อะไรพาให้เกิดให้ตายมันก็หมดไปเองเหลือแต่ความรู้สึกมันล้วนเท่า น, นั้นทั้งพรอมทั้งากันสร้างอกสร้างใจช่วงปฏิบันหนาเกิดเป็นตอนเหนื่อยช่วงเหนื่อยแล้ว มันก็จะได้ถึง50นาทีหรือมัเอนนด้ยนั่นไปไปนั่นเหน่อยมันกาลังมันคงไปได้แค่นั้นเวลาเวลากับการแสดงธรรมพอถึงนั่นมันจะบอกมันอ่อนลงอ่อนพอรู้สึกธาตุการรู้สึกก็หยุดทันทีธรรมะมันโผล่ขึ้นมาธรรมะหดธรามะทะธมะมันหก็หล่อมันแยบลับกันอย่านี้มันก็กลายเป็น สมมติประเทศหนึ่งนั้นมาเหตุผลเท่านั้นที่ทาให้พูดหนักพูดเบามีเท่านั้นเราไม่มีอะไรมาบีบมาขวางหัวใจเดินตามเหตตามผลน่อย น, นี่เราเคยถูกกบขีบางดีพอใจมานานแล้วเรื่องอันนี้ยังให้ทําเดินดิยี่เหลรอนี้มาเดินไปทางเร่องนี้มาเท่าไหร่แล้วนี่จะให้ทําเดิน ไม่มีหรอกครับว่ารูปหน้าปะจมูกรูปหน้าปะทำเลยเดินตามทำอะไรหรือเป็นข้อนหนักใจบาชาเกี่ยกับความจำมีติดเทียนน้ำคนพิพากษาล้ำคนมันก็เป็นธรรมได้ยังไงก็เป็นเรื่องของกิเลสเลยทีของจริงมีอยู่ออกสแสดงเลยกิเลสมันเพี้ยนผ่านเต็มโลกแล้วเวลานี้โลกกาลังจะคิดหาไายพวงพ้ามันยังไม่รู้โทษมันอยู่หรอกทำแต่นั้นที่เป็นน้ําดับไป ปลูกความจริงลงไปมันเป็นรายไปวะทาประเสริฐยิ่งกว่ากิเลสเหมือนกิเลสมันประเสริฐที่ตรงไหนพอที่จะเป็นหมอบไปกราบมันี่ราบไปด้วยเวลา <c oughs> ความสังงัดความไม่เวก สังตะกณิกาให้สงหวัให้มากนะอย่าเป็นเพี้ยนบรรท่าในเห็นนี่ไม่ใช่รงชุลายาเมาวัดนี่สถานที่แถวนี้มามีมาเป็นจิตเป็นการมาเป็นเพี้ยนบรนป้าให้เห็นนะคุณลูกตาจะแตกแล้วหัวใจจะพังแล้วเน่ะมันรับแต่สิ่งเหล่านี้ยมันไม่ได้เป็นมงคลเลยพูดไปตงนี้ก็รู้อีกแล้ว เอาละเช่นนั้นใ่แล้